ในลานี้ทุกคนก็คิดว่าตนกำลังอยู่ในระหว่างฝึกผลตนไม่ใช่ว่าตนได้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วต้องให้สำนึกตนอย่างนี้การที่เรามา สนใจในการปฏิบัติธรรมความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะขจัดกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นถ้าไปมุ่งหมายอย่างอื่นนั้นผิดทางเ mm. มื่อทุกคนนะรู้ว่ากิเลสนะมันทำพิษมันทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อน แต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่จะมาสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในตน <c oughs> มันก็ไม่สมควรจนะเว็นเสียแต่ว่าผู้ที่ไม่รู้ถ้าไม่รู้มันก็จะปั่นหนาเต็มทีเมื่อได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้ว ยังจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี่อยู่อย่างนี้อันนี้ว่าเป็นคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะได้ดื่มรสแห่งพระธรรมไม่มีวาสนาที่จะได้กําจัดกิเลสออกจากตนคนที่จะละกิเลสให้เบาบางไปจากจิตใจได้มันก็ต้องมีปัญญา จะต้องเป็นผู้ชำนาญในการคิดการตรองในการวินิจฉัยเหตุผลต่างๆไม่ใช่ว่าอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นรือว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อผู้ใดไม่รู้แจ้งในเหตุในปัจจัย นั้นนั้นแล้วมันก็ยอมดําเนินไปไม่ถูกทางแล้วก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเมื่อรู้จักเหตุูจักปัจจัยว่ากิเลสมันเกิดขึ้นโดยเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไปละเหตุละปัจจัยเหล่านั้นเสียกิเลสมันก็ไม่เกิด มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของผู้เผยเจ้านั้นแน่นอนแหละไม่รู้จักเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆไม่รู้ ดังที่เราจะเห็นกันอยู่ดาาดื่นคนไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะมัก็บประพฤติชั่วไปเป็นจํานวนมากเนือบางคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แล้วว่าทางนี้ผิดทางนี้ถูกแต่ว่าไม่เว้นทางผิดแล้วก็ไม่ดำเนินไปตามทางที่ถูกอันนั้นท่านเรียก ว, ว่าพิณผู้ประมาณ อรู้แล้วขืนทําลงผู้เช่นนั้นน่ะท่านว่าทําบาปก็ได้บาปมากเพราะจิตใจมันแข็งกระด้างมากทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นบาปก็ยังฟื้นทําอย่างนี้นะมันก็ได้บาปมากทีเดียวนะเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่รู้แล้วไลยทาลงไปอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อย เผือว่ารู้ตัวในภายหลังถ้าจะเกิดความกลัวต่อบาปขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ละบาปนั่นได้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละจริตนิสัยของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันนะเราจะมาดัดแปลงให้มันเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคําสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยมันจึงได้มีมากมายก็เพื่อแก้จริตของคนเรานี้เองเนี่ย ไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหาว่ามันมีจริตเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าคงจะไม่มากมายอย่างนี้พระองค์ก็จะสอนในทาแนะนาในทางรมที่มันถูกกับจริตนิสัยของคนทั้งโลกอันนี้เพียงแต่สูตรเดียวหนึ่งเท่านั้นก็คงจะได้ผล ไปทั่วไปเลยก็จะไม่ได้ลำบากพระพุทธเจ้าแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะจริตนิสัยของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปดังนั้นคำสั่งสอนมันก็ถึงได้มีหลายเรื่องเหมือนอย่างสมัยเท ว, วนันนี่โรคภัยไข้เจ็บของคนสารพัดแต่มันจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรงพยากรไว้ทรงสัตว์ไว้ว่าสมัยใดนะคนมีบาปมากสมัยนั้นโครคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นมากสรพัด ต, ตั้งแต่โรคซึ่งไม่เคยได้พบได้เห็นมา ก, ก็ได้พบได้เห็น อ, อย่างนี้ดังนั้นหมอจึงคิดคนหายาแก่มาได้หลายขนานทีเดียวไม่รู้ว่ากี่ขนานนหละ ยาที่เขาคิดค้นขึ้นมารักษาคนป่วยอย่างนี้อันนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอยาผู้วิเศษผู้หนึ่งนี่ว่าหมอยายาใจคนไม่ได้ยาร่างกาย mm hmm. ก็องค์ยิ่งฉลาดยิ่งเป็นผู้ฉลาดยิ่งกว่าหม อ, อผู้ชํานาญในการรักษาคนเจ็บป่วยทางร่างกาย ร่างกายนี่มันเป็นของหยาบและสามารถมองเห็นได้แต่ส่วนดวงกิดนี่สิไม่มีรูปร่างอะไรเลยอมองไม่เห็นด้วยตาหนังจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญา น, น่ดวงกิดนี่นะจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาดังนั้นผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็จึงไม่รู้ไม่รู้ดวงจิตดวงนี้เลยไม่รู้นั่นแหะจึงได้ปล่อยจิตนี้ให้คิดส้านไปทั่วจึงเดือดร้อนวุ่นวายอืถ้าผูใ้ใดมารู้จิตดวงนี้แล้วมันก็หยุดลงได้มันก็หยุดตัวเองลงได้หมายความว่าตัวเองรู้ตัวเองมันมันสําคัญตรงนี้แหละ ส่วนมากมันไปรู้ตั้งแต่เรื่องอื่นไอ้เรื่องของจิตนี่มันไม่ค่อยรู้นะคนเรานะไม่ค่อยสนใจซะด้วยนะไอ้ผู้ที่จะรู้เรื่องของจิตนี่มันก็ต้องพยายามทาจิตนี้ให้สงบลงก่อนดังนั้นในสมถกรรมฐานนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้บริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการคิดการค้น เพ่งกำหนดใจนนละอารมณ์ต่างๆที่ใจมันเคยยึดถือมาแต่อดีตหรือว่ายึดถือไว้แต่อนาคตต่างๆหมดนั้นนะกำหนดละให้มันหมดไปเลยเมื่ออารมณ์ภายนอกต่างๆเหล่านั้นดับไปจิตจังได้รวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นลงไปได้อย่างนี้ก็รู้ตัวได้บะนี้นะรู้ว่าจิตคืออะไรบะนี้ ก็รู้แล้วตัวเองรู้ตัวเองอเมื่อตัวเองละอารมณ์ต่างๆให้ดับไปหมดแล้วท่นี้มันก็สงบนิ่งอยู่วันนี้ก็รู้ตัวเองนะงั่นนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้จิตตัวเองแล้วมันก็ต้องกําหนดละอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นนะให้มันระงับไปหมดเลย เมื่ออารมณ์เหนั้นละ ง, งับไปหมดแล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งก็รู้ตัวเองทุกคนแหละเมื่อรู้ตัวเองได้อย่างนี้ก็เพ่งพิจารณาดูอดวงจิตอันนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่มันไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยมันก็สบายเอมันก็ปลอดโปร่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นทางสันติสุข ความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเมื่อผู้ใดได้ค้นพบอย่างว่านี่มันก็ดูดดื่มก็เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ววะเนี้ยพยายามทำใจของตนให้สงบลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมองเห็นโทษแห่งความไม่สงบอยู่แล้วนี่เมื่อจิตใจไม่สงบนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเน่ยเนี่ยมันมีเครื่อง เทียบกันอยู่นี่ทีนี้เพื่อเมื่อมันทาใจสงบลงไปแล้วมันไม่เดือร้อนอะไรอะมันสบายมันไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดทาได่อย่างว่านี่มันก็ดูดเืิมแล้วไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบททัติธรรมหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิภาวนาทำความสงบใจ เพื่อให้ได้พบสันติสุขอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ปรารถนาที่จะส่งใจไปคิดพุ่งซ่านไปภายนอกมันยุ่งเหยิงมันวุ่นวายนี่มันก็ก็รู้ได้น ะ, ะผู้ใดทําใจสงบลงไปได้มันก็เห็นทอดแห่งความไม่สงบบัดนีนน้ความไม่สงบนี่มันเป็นเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนนะี่แหละ แต่คนส่วนมากนั้นมันไม่ไม่เป็นอย่างว่านี้ไม่ได้พยายามทำใจให้สงบนี้แต่ปล่อยใจให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นเน่ยมันถึงไม่รู้ตัวซึ่งผู้เช่นนั้นเน่ะไม่สามารถที่จะละบาปบาเพ็ญบุญได้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นมันก็เลย พ่อใจในการทำความดีต่างๆนั่นคนผู้จะทำบุญทำทานการกุศลต่างๆได้นี่มันต้องมีใจเบิกบานนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นใจไม่เศร้าหมองขุนมัวเมื่อใจเบิกบานแล้วก็อ้าวนึกถึงความดีนั่นมันเป็นใจที่เบิกบานเนี่ยมันเป็นสายของบุญสายของความดีเนี่ย ถ้ใจเศร้าหมองขุนมวอลงไปแล้วมันคิดถึงแต่เรื่องบาปอะไนี่คิดถึงแต่เรื่องเบียดเบียนคิดถึงแต่เรื่องทําใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อใจเศร้าหมองเข้าไปแล้วมันมันคิดไปสายนั้นแหละอันมันจะคิดถึงบุญกุศลไม่มีอันมันเป็นอย่างนั้นให้สันนิฐานดูจิตตัวเองทุกคนแหละ ถ้าเมื่อรู้ว่าจิตตนเศร้าหมองเนี่ยนี่ก็รีบเล่งเข้าไปอออ่ะทําความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปมันเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรมันยึดถือเรื่องอะไรไว้เส้นนี้ก็จะได้รู้อ่ารู้ว่าจิตมันยึดเรื่องนั้นไว้มันถึงได้เศร้าหมองก็ไปกําหนดรู้เรื่องนั้รักเรื่องนั้นเสีย สอนใจให้ละเรื่องนั่นเสียเมื่อใจมันละเรื่องนั้นได้แล้วความเศร้าหมองของใจมันก็ระงับไปเมื่อใจสงบลงไปได้อย่างนี้ใจก็เบิกบานผ่องใสก็รู้ตัวได้ว่าตนไม่มีทุกข์มีโศกในขณะนี้ตนสบายตนไม่มีกังวลอะไระนี่แหละ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่านาฏิสันติปรังสุขขังสุขอื่นเสมอ้วยความสงบไม่มีหรือว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีอย่างนี้เป็นความจริงสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของหาเงินหาทองเข้าของได้มา ก็ดีมียศธาบรรดาศักดิ์มีคนยกย่องสรรเสริญก็ดีมีบริษัทบริวารมากก็ดีหมู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุข